ในวงพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเรานี้ก็มีภิกษุบริษัทเป็นผู้นำเป็นคติตัวอย่างเป็นที่อบอุ่นเป็นที่ไว้วางใจของบริษัทพุทธบริษัทนอกนั้น เป็นอุบาสกอุบาสิกาบริษัทในครั้งพุทธการท่านเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าผู้ประกาศศาสนธรรมก็เป็นผู้ทรงมักทรงผลอันเลิศเต็มพระไทยนำธรรมะทรงนำธรรมะ ที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นมาประกาศทมสอนโลกผู้ได้สะดับจับฟังจากพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงตามจนถึงได้ขั้นเป็นวิสุธทธิบุคคลขึ้นมาจากนั้นก็เรียก ชื่อเรียกนามว่าเป็นสาวกอรหัตรหรันแม้แต่คราวาสก็ยังบรรลุถึงขั้นพระอรหัตได้แต่รวมเข้าแล้วก็เป็นสาวกอรหันของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่ชาวพุทธด้วยกันมีพวกอิกษุ นีอุบาสุอุบาจิกาเป็นสำคัญให้ความอบอุ่นแต่ตนแล้วก็ให้ความอุ่นแก่ผู้เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันมีบริษัททั้งหลายคืออุบาสุอุบาจิกาจะเป็นข้าราชการชั้นใดก็ตามถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกอุบาสุคือชาวพุทธอุบาสิกา ก็เป็นลูกต้าหลอกกของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันท่านเหล่านี้อยู่ด้วยความอบอุ่นแม้จะห่างไกลจากพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ยังมีพระสงฆ์สาวกผู้ทรงมักทรงผลด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ความอบอุ่นความไว้วางใจความตายใจ เป็นหลักใจพึ่งเป็นพึ่งตายแ ก, แก่ท่านเหล่านั้นเรื่อยมาโดยลำดับมีที่แสดงเหล่านี้คือผลของการปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นจริงๆทรงมรรคทรงผลสำหรับผู้ปฏิบัติจริงๆสามารถให้ความอุ่นแก่โลกได้ดังที่กล่าวมาเหล่านี้ นี่เราพูดในวงมนุษย์ส่วนวงเทบุเวดาอินทรมทั้งหลายนั้นนั่นเป็นประเภทหนึ่งซึ่งได้รับความอบอุ่นจากธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนี่คือผลของการปฏิบัติดีที่การแสดงไว้ในสังฆฆคุณของบุพุทธของบรรดาสาวกทั้งหลาย คือสูปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุโชปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแนวต่ออัตตธรรมคือต่อธรรมต่อวิอนัยต่อมรรคผลมืพผ่านอำว่าปฏิบัติดีก็เมื่อพูดให้ตรงกันกับสิ่งที่เป็นค่าสิ่งกันก็คือไม่ได้ปฏิบัติแบบช่วยชั่วเร็วซ คือไม่ว่าจะแสดงออกด้วยกิยาท่าทางอันใด น, นับแต่ภายในจิตใจออกมาเป็นเจตนาที่ดีความคิดที่ดีการระบายออกทางกายวาจาความประพฤติดีทั้งนั้นอันเรียกว่าว่สสุปฏิปนโนอุชุก็คือตรงตามหลักธรรมหลักวินัยหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติและสั่งสอนไว้อย่างใด ก็ปฏิบัติตรงแนวตามนั้นด้วยเกียตนาที่เป็นอัตเป็นธรรมไม่หลบห ล, ลีกหลีกเลียแล้ด้วยกลมายาของจิเดสซึ่งเขามักจะแทรกรทมอยู่เสมอมาท่านเหล่านั้นปธิบัติตรงแนวต่ออัตต่อธรรมโดยท่ายเดียวญาณญาปฏิปันโน คือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้เพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงจริ ง, รงไม่ปฏิบัติแต่เพียงศักด์แต่ว่าเป็นขนรรมตาเนียมเป็นประเพณีหรือเป็นไปตามจารีประเพณีที่พากันทามาหรือปูญยาตายายพาทำมาอย่างนั้นท่านปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริง ในธรรมที่ทั้งหลายจนสุดความสามารถที่จะรู้จะเห็นธรรมทั้งหลายได้จริงๆนะสามิกิปฏิปโนก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรเจะธรรมที่น่ากราบไหวบูชานั่นเองนี่แหละเหตุที่ท่านดำเนินมาเพียงสี่ข้อนี้ก็สมบูรณ์เต็มที่ สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ปีกแวะในข้อใดข้อหนึ่งเสี ย, เ, สยเท่านั้นท่านจึงได้คุณนานนามว่าสุปฏิปนโนพระกวโตสาวกสังโคสาวกของพระภูมภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นแล้วก็สามารถได้รับผลเป็นที่พอใจ จนกลายเป็นเสะของโลกขึ้นมาในอันดับจากตนที่รู้ที่เห็นแล้วในธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสถานที่ผิดความดีทั้งหลายถ้าเป็นน้ําก็สะอาดสุดสะอาดสําหรับชะล้างสิ่งโสขะโตกทั้งหลาย ทำมโลกหรือว่าสิ่งสกระโปรกความไม่ดีทั้งหลายจะเป็นอะไรไปเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นมาให้เป็นความชั่วให้เป็นความสกรปรกถ้าไม่ใช่กิเลสอย่างเดียวนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดมาทำโลกให้สกระปรกพอที่จะนำาศนาสนธรรมหรือาศาสนามั ชะมาล้างดังพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แต่ละพระองค์นั้นก็คือมานาน้ำที่บริสุทธิ์นั้นมาล้างโลกล้างสงสารที่โสกปุกโสมมตามความสามารถของผู้ที่จะรับได้มากน้อยเพียงไรที่เรียกว่าโปรสัตว์นั่นเองถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรไปเป็นผู้ก่อความชั่วช้าหลามก ให้เป็นเรื่องโศกกระปกุกให้เป็นเรื่องความทุกข์ความท ร, รมานาในสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาก็คือกิเลสเท่านั้นเป็นต้นเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายสร้างความชั่วด้วยการถูกบีบถูกบังคับด้วยการกดขี่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่ละประเภ ท, เภทให้สัตว์ทั้งหลายได้สร้างกรรมต่างๆกันซึ่งด้วนแลแต่เป็นกรรมชั่ว ที่เรียกว่าโสกโปกนั่นแหละาศาสนธรรมที่มาชลำางก็คือมาบอกมาสั่งมาสอนในแง่ที่ผิดทั้งหลายซึ่งเคยผิดมาแล้วให้รู้ความผิดนั้นแล้วชี้แนวทางที่ถูกให้ดําเนินนั่นแหละที่เรียกว่าน้ําที่สะอาดคืออัตธรรมมาชะลำางสิ่งที่โสกโปกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหัวใจของสัตว์ และระบาดสัตว์กระจายออกไปทางความประพฤติหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์มีกิเลสคนมีกิเลสค้าเข้ า, ขากันจะต้องเป็นเรื่องโสกรปรกแม้แต่โดยลาพังที่อยู่เพียงตัวเองเท่านั้นก็ยังโสโปรกอยู่ในภายในใจภายในความประพฤติเมื่อกระจายออกไปสู่สังคมมาก กว้างแคบเพียงไรสิ่งเหล่านี้จะต้องต่างคนต่างลายหรือต่างก็กระจายออกหากันซึ่งมีแต่ความชั่วช้าล้ำมกและผิดทุกข์ขึ้นมาให้รับความลำบากถึงขั้นทรมานและนอกจากนั้นก็ยังเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษเข้ามาอีกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของพิเศษประเภทต่างๆทั้งนั้น เป็นสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้สร้างความโสโปรกขึ้นมาถึงกับต้องมีาศาสนธรรมมาชะมาล้างถ้าสะอาดอยู่แล้วก็จะล้างกันทำไมเมื่อสะอาดอยู่แล้วก็ไม่มีทุกแม้แต่ใจของเราที่ครองขันอยู่นี้ใจของท่านพูดสะอาดหมดจดเต็มที่คือใจที่บริสุทธิ์แล้ว ทุกทางใจท่านไม่มีเจีงไม่มีอะไรจะไปชะไปล้างเนื่องจากใจไม่สกปรกใจสะอาดสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องชะล้างกันมีแต่เพียงธาตเพียงขันที่จำเป็นจะต้องมีความทุกข์ความลำบากตามเรื่องของเขาคนมีกิเลสก็เป็นทุกข์ได้ คนชินกิเลสก็เป็นทุกข์ได้บรรดาขันนั้นมันมีความเสมอภาคกันด้วยทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่ว่าสัตว่าบุคคลไม่ว่าคนมีกิเลสคนชินกิเลสย่อมมีความทุกข์ความลําบากเช่นเดียวกันนั่นไม่ท่านไม่ได้ถือว่าเป็นพิษเป็นภัย ท, ที่เป็นพิษเป็นภัยก็คือตัวเหตุผู้ผิดขึ้นมาตเช่นอยากให้เกิดขึ้นมานี้ตังหา ืออะไรพาให้เกิดท่านก็บอกแล้วเราทั้งหลายก็ทราบแล้วนั่นแหะก็นันก็เป็นเรื่องของยิเงให้าจะเกิดในพบน้อยภพใหญ่จนกระทั่งทึ่ว่าทัพ์ไม่ว่าชนิดใดต้องได้รับความทุกข์ทั่วหน้ากันเป็นแต่เพียงว่ามากกับน้อยตามวาระของตนของตนหรือตามอำนาจแห่งกรรมหนัก เบามากน้อมากน้ อ, อยแข็งไรที่ตนสร้างมานี้เท่านั้นและรวมแล้วก็เป็นสาเหตุมาจากกิเลศอย่างเดียวเท่านั้นจึงต้องได้มีธรรมมีศาสนาธรรมมาชะมาล้างเช่นพระพุเทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแต่ละพระองค์นี้ก็เท่ากับได้น้ำมาชำระล้างสิ่งโสโปรกโสมมและความทุกข์ความทรมาน แห่งใจสัตว์ทั้งหลายให้มีความบรรเทาเบาบางจนถึงกับว่าให้ได้หลุดพ้นจากความสปศกโสมมและพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงในทางใจผู้ที่ประพฤติตัวไม่ดีเหลวแหลกแบบแนวเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อได้รับผัดรับธรรมแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองเพื่อความประพฤติดีประพฤติชอบ และละสิ่งที่เป็นค่าศึกอันเป็นเรื่องโสโครกทั้งหลายนั้นไปโดยลําดับลําดับคนคนแต่ละรายแล้วแต่ละคนละคนแต่ละรายละลายก็ต่างคนต่างชำระล้างตัวเองก็กลายเป็นคนสะอาดขึ้นมาใจถึงจะไม่สะอาดยังไม่สะอาดเต็มที่ก็เริ่มสะอาดเพราะได้รับการชำระล้างจากอัจากจตาม ใจที่เป็นเรื่องใหญ่ในร่างกายของแต่ละร่างและคนเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีย่อมจะนําเครื่องมือคือวาจาหรือร่างกายนี้ไปทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอันเป็นผลเป็นประโยชน์ไม่นําร่างกายอันเป็นเครื่องมือนี้ไปก่อความเสียหายให้เป็นความรกรุงดังโศกปลุกโศกแล้วขนเอาทุกข์ ขึ้นมาแบกมาหามทั้งทางร่างกายและจิตใจเหมือนดังแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เคยรับน้ำอัดน้ำถมนั้นน่ะมีหละพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์พระองค์ทำให้โลกได้รับความร่มเย็นและความสะอาดสะอ้านไปทั่วดินแดนยาว่าแต่แดนมนุษย์นี่เลย เทวบุตรเทวดาอินทพมก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันเช่นเดียวกับมนุษย์ดานี้แหละด้วยเหตุนี้คําว่าพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่พระองค์พระองค์งคจังเป็นเรื่องตโลกธาตุหวั่นไหวออืไม่หวั่นไหวไงพระพุทธเจ้าทรงธรร ม, มามวยเจ้านี้กระเทือนไปทั่วแดนโลกธาตุไม่มีโลกธาตุใดที่ ธรรมของวิจ้าจะไม่เข้าถึงไม่ชะไม่ล้างนั่นนี่แหละอำนาจแห่งธรรมเป็นเช่นนั้นนี้วเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงพวกเราชำระความสกรกตุกนี้มาโดยลำดับในบรรดาธรรมทั้งหลายแต่ขั้นต่อมาต่อมา เรื่องความสกรปรกโสมมธรรมชาติที่ผิดความสกรปรกโสมมนี้มันมีหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะห่างจากอัจจรรมห่างจากผู้แนะนำสั่งสอนสดสดร้อนๆเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันท่านก็มีผู้มาสอนก็เป็นเพียงเราเราท่านท่านเป็นพระก็พระที่ไม่เข้าอกเข้าใจในภาคปฏิบัติและเป็นผู้ไม่สามารถทรงมรรคผลนิพพาน สอนกันก็เป็นแบบที่ว่าคนมีกิเลสสอนคนมีกิเลสนำความจดความจำที่ได้มาจากคำสอนอันเป็นตํหลับตาลาที่ถูกต้องดีงามแต่จิตไม่ได้ถูกต้องดีงามก็พราะก็อดที่จะคาดเคลื่อนไปมาได้การสอนก็ต้องรูปคำคำงู ง, งูป่าปลายิงไม่เป็นไม่ค่อยมีผลเป็นที่พอใจเหมือนครั้งพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนสัต์โลก ในข้างนั้ น, นขั้นต่อมาก็จิตใจก็ยิ่งเหินห่างจืดจางไปจากอักจากธรรมประหนึ่งว่าธรรมนั้นเป็นเพียงลัทธิธรรมนั้นเป็นเพียงตำหลักตำลาที่เขียนหลอกลวงกันไว้เป็นสิ่งที่คลกีฬาสมัยไปเสียด้วยอํานาจของกิเลสมันเสกมันฉันมันติ้นต้อนหลอกลวงมันลบหลู่ดูหมิน่น โดยที่นําจิตของสัตว์โลกแต่และดวงละดวงนั่นแหละเป็นเครื่องมือเข้าลบดูดดูมินหรือลบล้างศาสนาให้สิ้นไปจากความเชื่อความนับถือของสัตว์โลก <c oughs> แต่สิ่งที่จะต้องจมดิ่งหรือสิ่งที่มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นโดยลําดับลาดา น, นั้น <c oughs> ก็คือผลแห่งการเสี่ยมสอนแห่งการต้มถุนด้วยุลบุบายของมันนั่นแหละที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้ มีความหลงงมงายยึดถือมากขึ้นมากขึ้นและธรรมะก็ยิ่งห่างเหินไปจา ก, กจิตใจสุดท้ายธรรมะไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีในจิตใจของจัตเตระดวงระดวงแม้ศาสนาจะมีก็เป็นเพียงตำราเท่านั้นสิ่งที่มีก็คือให้ทำไปตามความชอบใจความชอบใจนั้นเป็นกิเลส เป็นเรื่องของกิเลสให้พาให้ชอบใจพาให้ดีใจพาให้ยินดีที่จะสร้างที่จะทําที่จะส่อจะแสวงหาวิญญาการทุกข์ด้านที่ออกมาจากใจรุวนแลแต่เป็นกิเลสของที่กิเลสที่ผลักดันออกมา mm. เพื่อทําความชั่วช้าเสียหายทําความชั่วช้าหลามุกแล้วขนทุก์ตั้งแต่ทุกเล็กทุกน้อยจนกระทั่งถึงหันตะทุกเข้ามาสู่จิตใจดวงนั้นโดยกิเลส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยมผู้สอนเป็นผู้บังคับบัญชาไม่เด้เป็เลาะเป็นับเคราะหรับกรรมกับสัตว์ลายนั้นๆเลยนี่จึงเป็นกรรมของสัตว์เอามากมายที่ถูกต้มถูกตุนมาตลอดนี่ก็ศาสตร์สนาของพระพุทธเจ้าล่วงมาสองพห้าปีนี้ไม่ว่าเราว่าท่านต่างคนต่างมีหูมีตาต่างคนต่างได้สัมผัสสัมพันธ์กับวิยาอาการ แห่งความประพฤติของมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวพุทธทั้งฝ่ายพระฝ่ายวัดฝ่ายบ้านเป็นอย่างไรบ้างก็พอจะทราบได้ว่ากิริยาที่ทำเหล่านี้เหินห่างจากอัด จ, จากทำจากลำรับตำราที่ทรงแสดงไว้โดยถูกต้องไปโดยลำดับตาดาความรู้อยู่เห็นอยู่ก็<ๆ> dam, ๆๆไม่ทำตาม ไม่อยากทำในสิ่งนั้นเสียแต่อยากทำในสิ่งที่จะเป็นค่าศึกต่อตนเองด้วยความโพคพอใจไปเสียเช่นนี้เป็นตน้นนี่แหละที่ว่าศา ส, สนาค่อยเสือเส่อมไปเสื่อมไปดูตัวเองอย่าไปดูที่อื่นทาเหล่านี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วย้ำแล้วย้ำเล่าเพื่อเป็นที่เข้าใจให้ระมัดระวังภายในจิตใจของตัวเองอย่าเห็นสิ่งอื่นสิ่งใดว่าจเจ ร, ริญมุ่งเนืองและเสื่อมไป ได้รับความทุกข์มากยิ่งกว่าจิตใจของเราแต่ละท่านลท่านจะพ่ออย่างยิ่งพระนักบวชนักปฏิบัติดังเราเราท่านท่านนี้เชื่อมจิตใจเสื่อมไปความประพฤติเสื่อมไปความภาคความเพียรเ ส, สื่อมไปขนทุกข์เข้ามาในลําดับเดียวกันเป็นอย่างไรบ้างนี่แหละท่านว่าศาสนาเสื่อมให้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่อื่น สำหรับตำรามีไว้สำหรับความดีของมนุษย์แก้ทุกข์ให้มนุษย์ไม่ใช่ตำราที่เป็นสวขารธรรมนั้นจะมาพอกพูนความทุกข์ความทรมาณให้แก่สัตว์แม้ริษหนึ่งไม่ปรากฏเลยไม่ว่าตำราใดพระไตรปิฎกใดไม่ปรากฏว่าทําได้ทําจัตว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความลาบาก เหมือนสิ่งที่เป็นค่าสิทธิของธรรมคือกิเลสนั่นเลยแต่ก็ไม่พ้นที่ทกิเลสมันจะเอาเราเป็นเครื่องมือให้หาเรื่องใส่ธรรมจนได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นโลกจริงไม่อยากปรับพฤชปประกอบคุณงามความดีเพราะความเชื่อสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันกระซิบกระซาบอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาถ้าจะทําความดีกิเลสมันเป็นความชั่ว อุบายของมันฉลาดแล้มคมก็กระซิบกระซาบว่าลําบากลําบนแต่การอยู่ใต้อํานาจของกิเลสมานานเท่าไหร่รับความทุกข์จนถึงขั้นมหมันตะทุกนั้นไม่ระลึกได้เสียระลึกได้แค่ทุกเพราะการหยดเพราะเพราะการฝ่าฝืนกิเลสเพื่อทําความดีนี้แต่การฝ่าฝืนกิเลสนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราฝ่าฝืนกิเลสเพราะกิเลสมันเชื่อมสอนให้เห็นว่า ทำนั้นเป็นผู้ทำเ ป, เป็นกองทุกกองโทษแต่การสร้างทำการประกอบความดีเป็นทุกไปเสียความจริงการประกอบความดีนั้นมันเป็นสุขแต่การต่อสู้รือสิ่งจีดขวางคือกิเลสนี้มันต้องเป็นทุก์เป็นธรรมดาของกิเลสที่มีมากน้อยแต่นี้ก็กิเลสมาให้เราทราบมให้เรารู้เสีย ปิดหูปิดตาปิดใจไว้หมดไม่ให้คิดให้คิดเรื่องที่จะเปิดทางให้กิเลสเข้าทำลายทำความดีงามก็คือทำลายตัวของเราจากความดีงามนั่นแหละถูกมันปิดกั้นไว้เสียเปิดแต่ทางที่จะเป็นผลประโยชน์แก่มันให้เราคิดเราทำเราเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของโลกโลกให้หมายถึงหัวใจเราจึงหนักแน่นไปในทางที่ ต่ำชา้าเร็วชามโดยลําดับลําดาการจะสร้างคุณงามความดีมีแต่ความลําบากลําบนมีแต่สิ่งที่ขีดที่ขวางเหมือนกับว่าธรรมนี้เป็นเป็ น, ป น, ธ, ปนธรรมชาติที่ขีดที่ขวางธรรมนี้เป็นคู่กรรมคู่เวรต่อมนุษย์ทั้งหลายไปเสียโดยไม่คิดว่ากิเลสทั้งร้อยทั้งพันเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเป็นตัวขีดตัวขวางเป็นตัวตัวกริบกระซาบเป็นตัวหลอกหลอกลวงเป็นภูมิให้ทำ การฝืนความชั่วไปทาความดีนั้นจึิงต้องเป็นทุกข์นี่ไม่ได้ให้คิดนี่เสียเรื่องของจิเลสจึงลำบากสาหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำเหล่านี้ใครๆจะพูดละ่ะพิณาสิต้องปฏิบัติให้มันรู้มันเห็นก็มันจะพูดได้เองถ้าไม่รู้พูดไม่ได้จะเอาอะไรมาพูดต้องรู้ต้องเห็นถึงจะพูดได้ เพราะกิเลสมันละเอียดขนาดห น, นขนาดที่ว่าดูกับเราเรามองไม่เห็นเรารู้ไม่ได้รละลึกไม่ถึงนั่นฟังสิเพราะกิเลสมันลึกกว่ามันละเอียดกว่าความรู้ความเป็นของเราที่จะอาจเอื้อมสอดแทรกรู้ตามมันไดน้ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยอัรรมซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดหรือเป็นกล้องที่ถันสมัยล้ำยุคล้ำสมัย หรือว่าหน่วูกิเลสจึงสามารถที่จะสอดส่องมองทะลุเข้าไปเห็นกิเลตเป็นขั้นเป็นตอนเป็นประเภทเป็นเพศหนาบะประเภทหน้าบางของกิเลสโ ด, ดยลําดับลําดาชาระเข้าไปล้างเข้าไปโดยลําดับเห็นเข้าไปรู้เข้าไปด้วยอัดด้วยธรรมจนกระทั่งละเอียดสุดปัญญาสติปัญญาธรรมยิ่งละเอียดเหนือนั้นเหนือนั้นก็ต้องมองไปเห็นหมด ทะลุบุปโภงไปหมดแล้วทำไมจะไม่เห็นกองกลมายาของกิเลสที่มันทำลายสัตว์ด้วยกลุนอุบายใดบ้างละ่ะนั่นเนี่ยสำคัญ ต, ตรงนี้เราอยากจะพูดให้เต็มปากเลยทั้งทั้งที่ตัวเท่ากระจ้อนกระแตนี้ว่าเรื่องของกิเลสแล้วถ้าไม่ลงในภาคปฏิบัติ ดังที่ผู้หญิงสาวทรงสั่งสอนและทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วจึงมาสั่งสอนได้จะคิดตภาวนาเน้ะอย่างไรเข้ามามีทางที่จะทราบจะรู้เห็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายของกิเลสได้เลยนี้ได้เลยก็จะเป็นวัตวุณอยู่นี่ตลอดไปวกไปเยือนมาวกไปเย็นม า, นมาด้วยความหูหนวกตาบอดทางจิตใจอยู่เช่นนี้ตลอดกลับตลอดกันไม่มีคมาําว่าการนับเหมือนกับ นั่งมวยที่เขาต่อยกันจนถึงขั้นสลบไปแล้วไปนับมปนอะไรนั่นจะไปรู้เรื่องดูลาวอะไรคนสลบหรือคนตายแล้วนั้นนี่ก็เหมือนกันมันตายตัวถึงขนาดนั้นเพราะกิเลสทุบกิเลสต่อยจนถึงอย่างน้อยขั้นสลบมากกว่านั้นเหมือนว่าตายจมไปเลยทั้งๆ ท, ที่จิตนั้นไม่คิปหายแต่ก็จมไปด้วยอำนาจแห่งกรรมบรีบบังคับไม่รู้สึกตัวเลยนั่น มันก็จะหมุนกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ใช้ธรรมะของพระเจ้าในภาคปฏิบัติปฏิบัติกรรมจัดมันเข้าไปโดยลําดับลําดาจนกระทั่งถึงทะลุอุ ป, ป่ผ ง, งไปหมดแล้วยังไงก็ไม่มีทางรู้ไม่มีทางเห็นไม่มีทางละได้เลยมีแต่ทางจมไปตามอุกุลมายาหรืออุบายของมันโดยท่ายเดียวเท่านั้นขอให้ท่านทั้งหาลายระลึกและจําไว้ให้ดี ในคาอันนี้แล้วให้หนักแน่นในภาคปฏิบัติคือกิจภาวนาให้เหนียวแน่นแก่นที่สุดเพราะความทุกข์ในการประกอบความภาคเพลียนของเรานี้แม้แจะทุกข์ขนาดไหนก็ไม่ได้เท่าเสี้ยวหนึ่งของความทุกข์ที่เคยเป็นมาในวัตวลนอันนี้ตลอดตอดัดตลอดกันทั้งหมนันตะทุกไม่ ทุกธรรมดาและมหันตแต่ทุกจนนับไม่ถ้วนนับไม่ได้เลยมากขนาดไหนในเราคนเดียวนี้นี่พี่นาจีอันนั้นทุกมากยิ่งกว่าความภาคเพียนของเราที่จะฝืนกิเลสด้วยความทุกข์อันนี้หรือด้วยความฝืนกิเลสนี้เพื่ออัดเพื่อทำอาทุกขนาดไหนทุกทุกเพียงเราจะหวังให้พ้นในชาตินี้อาทุกในชาตินี้้วยความเพียน เพื่อยังอัดยังทำเข้าสู่ใจเป็นธรรมสมบัติหรือสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติมีผ่านสมบัติอาทุกไปเป็นอะไรไปตั้งแต่เขาทำการทำงานทำไร่ทำนาทำิีการต่างๆเขายังต้องมีทุกติดตามไปด้วยกันทั้งนั้นบางงานบางอย่างถึงเป็นถึงตายก็ยังมีเรานี่ยังไงก็ไม่ตายสติปัญญาให้ใช้ตลอดเวลาที่ ชุลมุนวุ่นวายกับความทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกอันนี้เป็นสัจธรรมอย่าให้ทุกมาทับถมเราเฉยๆโดยให้เหผลไม่ได้ให้ทุกด้วยการพิจารณาเป็นสัจธรรมทุกนี้จะไม่ทุกผู้ปฏิบัติต่อธรรมประเภทสัจธรรมนี้จะเป็นผู้เพลินในธรรมทั้งหลายในเวลารู้เวลาเห็นกันเนือเข้าถึงตัวสัจธรรมจริงแล้วเป็นอย่างนั้นมไม่ใช่ทุกอันนี้จะเป็นภัยต่อเราเป็นที่ข้าอยากขยั่ง ในขณะที่เป็นขึ้นมาจากการประกอบความเพียร น, นั้นพอให้เกิดความเฉดหลาบถ้าอย่างนั้นเป็นทุกข์ของที่เกิดขึ้นจากสมุ ท, ทยัยความคิดเช่นนี้เป็นความคิดสมุ ท, ทยัยที่จะเสริมทุกข์ให้มีกำลังมากขึ้นจนถึงขั้นเฉดหลาบแต่ถ้าเป็นความทุกข์ที่จะให้รู้เห็นกันด้วยมาคมีสติปัญญาเป็นสำคัญนี่เรียกว่ามาัคแต่และอย่างละอย่าง พิจารณาจนเข้าถึงกันแล้วความทุกข์อันนี้จะเป็นทุกขะศัพท์แล้วผู้พิจารณาก็จะมีความเพลินในการพิจารณาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วว่าเพลินยังไงมันเข้าถึงขั้นทุนมุนจนถึงแยกกันออกเป็นคนละศัพท์ละส่วนทุกข์ก็เป็นทุกข์กายก็เป็นกายจิตก็เป็นจิตทั้งสามนี้แต่ก่อนประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือน ไฟกับฟืนหรือเชื่อไฟเมื่อแยกออกแล้วฟืนก็เป็นฝืนไฟเป็นไฟเราก็เป็นเราไม่เดือดร้อนนั่นนี่ก็เหมือนกันแต่ทุกมากทุกน้อยอย่าไปคิดไมเ้เสียผลเสียประโยชน์เพราะเป็นคุณบุบายของจิเดชหลอกอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันให้ประมวลถึงเรื่องความทุกข์ที่เราเป็นมาพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกไม่ผิดเราไม่รู้ก็ตามให้พึงเชื่อท่านผู้ฉลา ที่ทรงผ่านมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วนำมาสั่งสอนโลกว่าการเกิดตายของจิตตวิ ญ, ญญาณแต่และดวงละดวงนั้นไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วในความมากมาย <S <S 2> <S 2> มากถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเสมอไม่มีสิ่งใดจะเป็นคู่แข่งของจิตตวิญญาณแต่และดวงละดวงที่แบกกองทุกข์ด้วยมาด้วยความเกิดความตายด้วยยิบากกรรมต่างๆ ที่ตนสร้างไปในตัวในตัวแห่งภพชาตินั้นๆทุกนี้ทุกมากทุกยืนนานมานานแสนนานถ้าแก้ไม่ได้ในชาตินี้ปัจจุบันนี้แล้วก็จะต้องแบกกันไปอย่างนี้เป็นกันไปดังที่เคยเป็นมาฉันใดจะเป็นไปฉันนั่นเหมือนกันนั่นฟังสิหนักไหมความทุกข์ที่แบกมามากน้อยนี้เมื่อเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทําไมจะไม่ใจหายผู้เชื่อตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้า และที่จะแบกทุกข์ต่อไปข้างหน้านั้นก็ทำไมจะไม่ใจหายละ่ะเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนโลกทรงสั่งสอนถ้าว่าเราพูดพาสั่งภาษาตลาดให้ฟังอย่างถึงใจของเราแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกสอนด้วยความใจหายอยากให้พ้นอยากให้หลุดอยากให้ผ่านไปได้สดสดร้อนๆไม่แม้นาทีหนึ่งก็ไม่อยากจะให้สัตว์ทั้งหลายจมใ น, ในกองฟืนกองไฟในหม้อน้ําร้อนนั่นเลยเพีงสอนอย่าง ถูกต้องแม่นยำสอนอย่างเต็มเน็บเต็มหน่วยสอนด้วยพลังของกิตพลังของความเมตตาซึ่งออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ที่ได้เห็นทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงพระไทยแล้วทุกอย่างการสอนธรรมไม่มีใครที่จะสอนเมื่อความหลักแน่นแม่นยำและพระเมตตาเต็มสัดเต็มส่วนประหนึ่งว่าหน้าใจหายหรือว่าใจหายเหมือนพระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์โลกนั้นเลยดังเลย พระสาวกก็ลองลงมากันเป็นลํำดับการสั่งสอนท่านเพราะท่านการสั่งสอนโลกก็เป็นเช่นนั้นเพราะท่านก็ได้ตะบนันกันกับฤาษีสมุทัยและทุกทั้งหลายซึ่งเป็นของคู่กันกับสมุทายนี้มาหนักขนาดไหนมากขนาดไหนประจักษ์ใจขนาดไหนด้วยการแก้การถอนนี่ก็คือมากท่านทราบทั้งคุณและโทษ โดยสมบูรณ์ในหัวใจของท่านแล้วทําไมท่านจะสอนโลกด้วยความอ่อนแอสอนพอเป็นพิธีสอนพอให้เกล็ดหัวเลาะเยอะได้ละ่ะท่านจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ท่านต้องสอนให้เต็มภูมิประหนึ่งว่าใจหายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนด้วยความเมตตาพอเห็นสัตว์ทั้งหลายจมอยู่มหาประมาณไม่ได้เลยว่าจะหยุดจับพ้นไปเมื่อไหร่ถ้าจะพูดถึงว่ามองไปเมื่อไหร่ก็เห็นแต่อยู่ใน จมอยู่ในหม้อ น, น้ําร้อนจมอยู่ในหม้อ น, น้ําร้อนจมอยู่ในปืนในไฟจมอยู่ในกองทุกขอันตรายมหันต์ตุกตลอดเวลามองไปเมื่อไหร่ก็เห็นอย่างนั้นไม่มีเวลาที่จะว่างถ้าจะเล่าจะพูดจากสายตาไม่มีเวลาที่จะว่างจากสายตาว่าสัตว์ตั้งทั้งหลายไม่มีกองทุกข์ไม่ได้ผ่านสายตานี้เลยไม่มีนอกจากไม่อยากมองถึงกับไม่อยากมองเพราะสะรุปสังเวชสัตว์ทั้งหลาย ที่ได้มาจมเหลืงนี้เพราะความประมาทเพราะความไม่รู้ของตนเองมาทาบาปเอมิมาทำกองทุกข์ให้ตนเองหรือมาทรมานตนเองมาบีบบังคับตนเองอย่างนี้ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากดูถึงขนาดนั้นนั่นหละการสอนโลกจึงสอนท่าว่าจะพูดถึงเรื่องความเผ็ดร้อนก็เผ็ดที่สุดร้อนที่สุดชุดลาอย่างเต็มพระไถย ไม่มีอะไรที่จะออมแรงเรื่องพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มกำลังฉุดลากเต็มพระกำลังความสามารถของพระองค์นั่นแหละตามแต่สัตว์ทั้งหลายรายใดรายใดที่จะพอเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดพระองค์ก็ทรงทราบอีกเช่นเดียวกันเนี่ยเราพิจารณาสิคำวมาสัตโลกมีใครบ้างถ้ามานับตัวข้างเราแล้วเราเราเป็นอะไรไม่เป็นสัตว์โลกเป็นสัตว์อะไร เปรตผีก็เคยเป็นมาแล้วว่าเป็นสัตว์เปรตสัตว์ผีก็เคยปันเป็นมาแล้วเวลานี้เราก็เป็นสัตว์โลกรายหนึ่งเช่นเดียวกันเราไม่คํานึงบ้างหรือว่าความทุกข์ทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ไม่มีอยู่กับเราหรือมีอยู่กับเราอ่ะปัญหาตั้งเข้าไปถามเจ้าของสินักปฏิบัติตั้งเป็นอย่างนั้นขุดคน้นก็ไปหาเหตุทาผลเพราะสิ่งเหล่านี้นเราเจอมาแล้วโดวยกันท่านั้นเราได้รับความทุกข์ความทรมานถึงขั้นหาทุกข์หามานตทุกข์ไม่มีใครแข่งใครได้ ก็คือเรื่องต้มยังไงว่าตาเกิดตายเกิดตายด้วยอํานาจแห่งนิบัต ก, กรรมนี่แหละและเทําไมความเพลี่ยนของจะไปย่อหยอดอ่อนข้อกลัวแต่จะเป็นจะ ต, ตายจะทุกข์จะลาบากเพียงเล็กน้อยน้อยด้วยการประกอบความเพียนเท่า น, นี้นี้มันเกินไปให้กิเลสกล่อมมาใช้จนหลับสนิทในความเพีย่ยนให้ถึงกับเข็ดหลับในความเพี่ยนให้ถึงกับเข็ดหลับในความทุกข์ไม่สมควรอย่างยิ่งกำลังปฏิวัติของเราซึ่งเป็นลูกศิษยสถาโคตรผู้มีเหตุมีผลด้วยความเชี่ยวชาญจะาเล่หฉลาด ไม่มีเกินไม่มีใครเกินพุทธเจ้าเลยเราให้นำมาคิดในเรื่องเหล่านี้นี่แหละพิจรารณาขอให้ทุกท่านพิจรารณาเอามาชั่งน้ําหนักกันในเรื่องความทุกข์ของการประกอบความภาคเปี่ยนและนี่เราพูดถึงเรื่องการเป็นมาแล้วที่จะเป็นไปข้างหน้าข้างหน้ากับข้างหลังมันไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเหมือนกันเรายังจะทนต่อไปอยู่หรือ เรายังจะสามารถอาฐานอยู่หรือว่าจะต้องแบกทุกข์ไปเช่นเดียวกับที่เป็นใหม่ทุกข์ในปัจจุบันเพียงเท่านี้เรากลัวแต่ทุกข์ในอนาคตที่จะถึงขั้นหมันตะทุกข์ซึ่งเคยเป็นมาเหมือนอดีตนั่นะจะเป็นอย่างนั้นเราไม่คิดเราไม่กลัวเหรอือเอามาคิดนี่ะนักปฏิบัติต้องใช้ปัญญาอย่างนั้นสการปลูกจิตปลูกใจนี่คืออาจคือทำคือมากที่จะทําให้ เราเข็ดลราหลาบให้กี่เกียกกี่ขั้นพ่อถอยอะเป็นแต่เรื่องของกิเลสมันกล่อมสัตว์ทั้งนั้นถ้าไม่รู้ให้รู้เสียตั้งแต่บัดนี้เอาให้ดีเอาให้จิงการปฏิบัติตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องความจมของสัตว์พระพุทธเจ้าท่านทรงทรงู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการแนะนําสั่งสอนสัตว์โลกจงสั่งสอนอย่างเต็มพระทยัยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาได้สี่สิบห้าประการสานอกนั้น ถ้าเมตตายัางไม่ลนละยังต้องประทานพระโอวาทคืสอสวัธาธรรมไวอีกไปถึงห้าพันปีสอนประทานไว้เพื่อใครก็ประทานไว้เพื่อสัตว์โลกสัตว์โลกลายไหนถ้าไม่หมายถึงตัวของเราผู้ได้ยินได้ฟังผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมเหล่านี้จะหมายถึงใครอา้าวเรามีกำลังบางชามีความรู้ความเจริขนาดไหนทุ่มลงไปเพื่อฆ่ากิเลไม่เสียหาย ไม่ขาดทุนศูนย์ดอกให้ขยับลงไปในการประกอบความภาคเปลี่ยนทำความค็ดหลาบแก่ตัวเองที่เป็นมาแล้วก็ดีที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ดีคือจิต ด, ดวงนี้มันไม่ตายนั่นเองทุงจะทุกข์ทรมานขนาดไหนมหันตแต่ทุกข์ขนาดไหนเวลานั้นก็ต้องยอมรับแต่ให้เราคิดว่าอย่างเราเอกไฟมาจี้ตัวของเราเนี่ยไม่ถึงขั้นตายแหละ เพงถึงค่ถึงเพียงเจ็บแสบร้อนเวลาไฟกี่เท่านั้นเราจะทนได้ไหมเราพอทนไหมเพียงชั่วโมงหนึ่งชีวิตของเรานี้มีเป็นหลายปีห้าสิบหกสิเจ็ดสิปีแปดสิปียืนนานขนาดไหนไม่ถึงตายแต่เราจะทนความทุกข์เพียงห้านาทีที่ถูกไฟกี่นี้เราทนได้ไหมพิจนาจินี่แหละการไปตกนรกบกไหมถึงใจจะไม่คลิปหายใจใจไม่ตายก็าตาม แต่การทนทุกข์ทรมานซึ่งเทียบกันกับไฟถูกไฟกี้นั้นเป็นอย่างไรพิจารณาสิใครจะไปยอมเสียตัวถึงขนาดนั้นต้องตัดออกทันทีอันนี้กุมันการสิ่งที่จะเผาเราความทุกข์มันไม่ตายมันทุกข์หน่อสิมันลําบากกว่าคนตายคนตายแล้วมันไม่รู้ร้อนรู้หนาวทําอะไรมันก็ไม่มีอะไรแต่คนที่มันทุกข์ไม่ตายนั่นที่ทรมานขนาดไหน นั่นหละใจที่มันไม่ตายเล่ะมันถูกทรมานอยู่ถึงขนาดนั้นพี่นาทีมันทุกข์ขนาดไหนเราควรที่จะนำมาพินิจพิจารณาให้ละเอียดละ อ, อ่แล้วเป็นการเสริมกําลังความภาคเพียรสติปัญญาสัตย์ทางาให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นจะได้หลุดจะได้พ้นไปเมื่อหลุดพ้นไปจากสิ่งจองจําทั้งหลายนี่แล้วจะหาอะไรเทียบไม่ได้แล้วนั่นหละที่พระพุทธเจ้าท่าน เห็นโทษของกิเลสเพราะเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เหนือกว่าที่สุดแล้วไม่มีอะไรซ้ำเหมือแล้วทำตั้งอยู่เดียวโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนือโลกคืออะไรเหนือกิเลสเครื่องผูกพันเครื่องมัดสัตว์ทั้งหลายเครื่องทรมานสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็นับอยู่ในจํานวนที่ได้เคยถูกเคยทรมานจากธรรมชาตินี้มาแล้วจึงได้เห็นโทษอย่างถึงพระทัยแล้วประกาศกังว้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลาย ด้วยอดด้วยทมพอที่จะไปได้ก็ให้ไปให้ทันกับพระองค์ชุดไปลากไปในเดียเด๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นที่ยังควรที่จะเป็นไปตามได้อยู่ก็คาดบันไดเอาไว้ได้แก่ศาสนาธรรมังสอนให้อุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตามนั้นว่าอย่างนั้นความหมายแล้วจะไม่ไปไหนทางสายนี้ตรงเข้าสู่ความสงบเย็นใจตรงเข้าสู่ความสิ้นทุกโดยศกการทั้งปวงทั้งนั้นล่ะ นี่การการปฏิบัติจะเป็นผู้สามารถรู้เรื่องของกิเลสโดยลำดับลำดาไม่หากว่าเราจะพูดเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นโคตรเป็นแท้แล้วไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสโคตรแท้ของกิเลสประเภทใดจะประมวลเข้ามาดูหน้ามันได้หมดในภาคปฏิบัติและสังหารกันใน ด้านในกิตตภาวนานี้ทั้งนั้นแล้วแล้วเรียกว่าล้างปาช้ากันที่นั้นไม่เกิดอีกถ้าลงกิเลสได้สิ้นประจากหัวใจแล้วไม่เกิดอีกนั่นเรียกว่าล้างปาช้าเราจะประมวลมาเห็นนี้อย่างอื่นไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยเราเองก็มองไม่เห็นนอกจากสาธนาธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นเครื่องช้าล้างกิเลสเป็นเครื่องล้างปาช้า คือความเผุดตายให้สิ้นไปจากจิตใจดวงนี้แล้วไม่ต้องหมุนนิพานังปรามังสุ ข, ขังก็คือจิต ด, ดวงนี้ที่พ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมาแล้วเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นนิพานดินน้ำลมไฟไม่ใช่ น, นิพานทุกสิ่งทุกอย่างในแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่ น, นิพานไม่ใช่ผู้ตีสวยบรุสุขคือใจนี้เท่านั้นเป็นผู้สวยความสุขเป็นนิพานนี่ท่านให้ชื่อว่นนานิพาน นิพานไม่นิพานก็ตามเถอะนั่นเป็นชื่อขอให้ทําใจของเราให้บริสุทธิ์โดยประจักษ์ไม่ต้องเสกสรรไม่ต้องไปถามใครเป็นสาธิตโกเต็มหัวใจนี้ก็พอแล้วอืจะว่านิพานไม่นิพานไม่สาคัญแต่นี่ขยายคําออกไปตามท่านแสดงไว้ในภูมิของศาสดราท่านสอนไมาอย่างกว้างขวางละเอียดละออมากให้เหมาะสมกับภูมิของศาสตโรกที่จะเดินตาม ซึ่งมีนิสัยต่างๆกันกว้างแคบยาประเยดลึกตื้นฉลาดแหลมคมยาให้จนตรอกจนมุมมากพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนไว้ให้เป็นเหมือนกับว่านกบินบนอากาศไปที่ไหนไม่มีคำว่าอากาศสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีทางบินไม่มีทางเดินอย่างนี้ไม่ให้หนดินไปไหนบินได้ทั้งนั้นถ้าไม่กลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยบีกักไปนี่ก็เหมือนกันความรู้ความสามารถของ ใครก็ตามพื้นชื่อว่าพุทธบริษัทที่รู้ตามบริการแล้วไม่ให้มีติดมีข้องว่าพระเจ้าไม่ส่งสอนว่าพระเจ้าไม่มีภูมิมเรามีภูมิมากกว่าอย่างนี้ไม่เคยมีนี่แหละธรรมพระเจ้าท่านจึงบอกอันนี้ผานนี้ผานนั้นก็เหมือนกันนี่เป็นชื่ออันหนึ่งเพื่อให้ทราบโลกมีสมมตุติทำมีมุดก็ต้องตั้งชื่อให้มีสมมุติขึ้นไว้เมื่อเข้าถึงแล้วก็หายสงสัยเองนี่แหละหลักการปฏิบัติความพ้นทุก์ เราอ่าหวังพึ่งสิ่งใดมากยิ่งกว่าธรรมวินัยซึ่งเป็นแถวทางเดินเพื่อความบุญพ้นทุกข์โดยสายเดียวเท่านั้นให้เป็นที่มั่นใจเป็นที่หนักแน่นฝากเป็นฝากตายกับหลักธรรมหลักวินัยอย่าดื้อดึงฝ่าฝืนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามให้ทรงให้ดำเนินตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดำเนินให้บาเพ็ญด้วยความขายันหมั่นเพียร จริงให้จังต่อบทุกสิ่งตัวอย่างทําอะไรให้พินิษพิจารณาเรื่องสมาธิไม่มีเอาเอาให้มีทําไมจะมีไม่ได้ทำนี้ทำเพื่อสอนจิตให้เป็นสมาธิแท้ๆทำนี้สอนจิตเพื่อให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับปัญญาของกิเลสแท้ๆทำนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องสังหารกิเลสให้สิ้นซากไปจากจิตใจโดยแท้ไม่ใช่ทำที่กิเลสจะมาเหยียบย่ําทำลาย หรือเหยียบหัวหัวขยี้หัวอยู่ เ, เปล่าทำพระพุทธเจ้าไม่เคยมีนอกจากผู้ทรงธรรมนั้นเท่านั้นจะไม่เป็นท่าและวให้กิเลสย่ำยีตีแหลกเอาเสียหมดเครื่องมือเที่ยนที่ที่จะเอาไปสังหารกิเลสกลับให้กิเลสธรามาสังหารตัวเสียเพราะควา ม, มาวงูกเข่าเบาปัญญ์ตัวหรือความไม่เอาไหนตัวเท่านั้นมันก็มีเท่านั้นเรื่องธรรมแล้วไม่สงสัยเป็นอาวุธที่ทันสมัยนั่นเรียก ว, ว่าธรรมอาวุธทันสมัยมาตั้งแต่กาลไหนไหนแล้ว พระพุทธเจ้ามาตรัสร้ในโลกนี้มีกี่ล้านล้านล้านล้านพระองค์มีแต่แตรัสรู้ด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีอสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องตรัสรู้ธรรมนั่นขอให้เป็นที่มั่นใจเอาให้จริงให้จงิระพฤ่อปฏิบัติตัวด้วยความเข้มงวดกวดขันด้วยความเข้มข้นและยิ่งยิเล็ดนั้นเป็นสิ่งที่จะขาดจะหลุดลอยไปได้ ไม่เหลือเพราะอำนาจแห่งทรมาบุธคือเครื่องมือสังหารนี้ถ้าเป็นน้ำก็ไม่พ้นจากน้ำนี้จะทำให้สะอาดได้เนี่ยดังที่กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นนั่นนี่ก็เคยพูดเสมอมันหักเป็นไปในธาตุในขันในจิตใจนี่แหละเพราะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับโลก ก, โล ก, กับตรงสารอยู่ตลอดเวลา ทำไมจะอดทิดไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งพระเนนที่อยู่ในความรับปิดชอบของเหล่านี้อะไรอะไรก็ต้องเข้าจุดนี้ก่อนเข้าจุดนี้ก่อนเรื่องความคิดความอ่านอะไรก็ดีมักจะคิดเรื่องความรับปิดชอบของตัเองนี้ก่อนก็คือพระเนรที่มาศึกษาอบรมเป็นยังไงเรื่องความ้าคความเพียรเป็นยังไงเรื่องจิตใจสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจิตใจมันจดต่ออยู่ทั้งอยู่ตรงนี้ เรื่องการปฏิบัตินี้ยิ่งร้อยหล่อเข้าไปร้อยหล่อเข้าไปเราก็ยิ่งจะเป็นรายหนึ่งแห่งความร้อยหล่อแล้วก็ยิ่งใช้ไม่ได้เลยเราคนหนึ่งเป็นผู้จะทรงไว้มีความเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียรตลอดถึงเป็นผู้ทรงไว้สึ่งมากสึ่งผลดีมุมดดูดทนนั่นมันถึงจะถูกใครขาดลรก็ตามบกพร่องก็ตามเราจะให้บกพร่องนี่เป็นความถูกต้องนี่ อันนั้นร้อยหลอคนนั้นร้อยหอล่อเราก็เป็นคนร้อยหลอบวกกันเข้าไปมันเกินกไปสลาดสังเวชนะผมผู้สั่งสอนหมู่เพื่อนมานานสั่งสอนจนหมดไส้หมดผุ่มธาตุขันก็โอนลงอ่อนลงแต่เทศ จ, จะสอนแต่ล ะ, ะครั้งราคาต้องได้คิดจะอ่านแต่ตองเรื่องธาตุเรื่องขันนี้เองไม่ใช่อันใด น, นะก่อนอื่นก่อนใดเรื่องเวลาที่เกี่ยวข้องกับอะไรอะไรบ้างประมวลเข้ามาแล้วก็มาสู่ธาตุขันว่าธาตุขัน ในเวลานี้จะพอเป็นพอไป่างนั้นพอเนี้ยนำสั่งสอนเพื่อนได้มากน้อยเพียงไรต้องคิดเมื่อเห็นว่าพอจะเป็นไปได้แล้วก็ต้องประชุมอบรมแนะนำสั่งสอนขอให้เพื่อนได้เห็นอกเห็นใจแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวให้ได้ทรงมากทรงผลธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสดสดร้อนร้อนแน่ ตายก็คอขาดก็ขาดแต่ความเชื่อว่าสดสดร้อนร้อนแห่งธรรมของวุิเจ้านี้ไม่มีไม่มีถอนไม่มีบกบางแม้นิดหนึ่งเลยเชื่อขนาดนั้น เ, นเราเชื่อธรรมของวุฒิเจ้าจึงขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจงคุยปฏิบัติการจะยังทำก็เห็นว่าสมควรยุติเพียงแค่นี้มาปีนี้รู้สึกว่า เด่นขึ้นหลายช่องหลายทางนมันธาตุันเด่นเป็นผลลบนะหมายถึงเด่นเป็นผ ล, ลไม่ใช่ผลบวกเดี๋ยวขึ้นแง่นั้นะเดี๋ยวขึ้นแงน่นี้ดูอยู่เนี่ยรู้กันอยู่นั่นนงภาวนานีทกวันเนี่ยผมนั่งเตียงขนาดชั่วโมงหนึ่งนะลุกออกออกมาเนี่ยขาออกใบไหลแล้วทุวันนี้ ที่ดู ด, ดมันเสียขนาดไหแล้วนั่งภาวนาขัดสมาบินั่งบนอยู่ในห้องอเนี้ยพอถึงเวลาจะออกเราไปดูนาฬิกานี่ออกมาแล้วดูนาฬิกาชั่วโมงหีืชั่วโมงกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยขาเราพอเราจะออกออกไม่ได้นะมันเป็นทํานองที่เรานั่งตลอดดุ่งเป็นบางคืนที่ว่านเวลาจะลุกต้องได้จับขาออกวางวางจับเขา ว, วางดังนั้นเราก็รู้อยู่ว่า มันสู้กับทุวกัเวทนาขนาดไหนรี่ว่าเดนตายถึงตลอดรุ่งแล้วเดนตายถึงได้ออกจากที่มันเวลาจะออกมันก็ตายหมดแล้วหนี่จับขาดึงออกนันเป็นอีกอย่างอันนี้ไม่ได้ทุกไม่ได้เจ็บอะไรนนะธรรมดาธรรมดาไม่ได้สนใจกับถ้ามันเจ็บมากผมก็ต้องให้รู้ที่ไม่ได้เจ็บมากอะไรแต่เวลาออกผมออกไม่ได้ มันตายหมดเลยได้จับขาอางเนี้วางออกทุกวันนี่นะนี่ปีนี้แปลกนืนเป็นมากนั่งไม่นานเลยเป็นแล้วอ้าวเสียมากนะ่าขาเราเราไม่คาดไม่ฝันมันจะเป็นเพราะมันไม่สมควรที่จะเป็นกันเดินไปเดินมาก็ธรรมดาลำดาไมไ่เก็บได้ปวดได้เป็นอะไรนะเดินมาไปนั่งรวนา่าจะออกจากที่ออกไม่ได้ จ้องจับขาวไปวางก่อนจนกระทั่งมันเลือดลมมันค่อยเดินไปแล้วค่อยลุกไปได้นะไม่งั้นไม่ได้ล้มตุ่มเลยนะแค่านั้นแหละตายแล้วเนี่ยนี่ก็แสดงให้เห็นลุกขึ้นแบบมีเงียเงี้ยเงี้ยแต่มันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ว่ามันมันมันรับกันเร็วก็คือความรู้มันผิดปกตินิดนึงมันจะทราบทันทีทันทีความรับทราบมันเร็วของมัน ก็มีดีส่วนน่งถ้าถ้าอาจารย์มันมันควรที่จะรีบนั่งลงกับรีนั่งเช่ไควรที่จะเกาะอะไรไม่ก็เกาะใช่ึงความรู้มันก็ไม่ละตัวเองถึงจะไปเกาะอะไรความรู้มันก็ไม่ละตัวเองหนึก็ทําให้ทราบไปเรื่ยทําห้ตัววิจารณ์ในการประกอบความป้องเพียรในที่ต่างๆของพระเรา ท่าที่พักพอนอนก็ไม่ได้ป่าแล้วนั่นก็ไม่มีไม่ทำเอะไรมันนา่ากระโดด2เรื่องนนะนี้แหละมันอดคิดเรื่องที่ว่าไอตัวโก็โผกไม่ได้จะว่างไงใครพาให้มันเป็นเนี่ยมันก็อันเดียวนั่นโอ้มันกว้างขวางมันหนักมากมันเด่นมากฮนะอันนี้ น, ะนี่อันนี้เป็น เจ้าโรคเจ้สงสารตัวที่ว่าตัวโสกโป่งที่ว่าออน้ํามาชะมาล่างพิจารณาปแล้วมันมันครอบหมดแดนโลกฐานความโลภไม่ไม่ใช่ น, นี้จะไปไหนพิจารณาที่อ่คนโลภมีความสุขกับคนไม่โลภต่างกันยังบ้างเรื่อความสุขต่างแต่กับคนไม่ได้อย่าคนที่โลภนั่ น, นคือกองทุก มันก็มันไม่ได้เห็นี้นั่นสิมันติดสนิทไหมโอ้มันมันเอาให้ตายได้จริงจริงมันนี่ก็ไม่พูดอะไรละเหนื่อยแล้วเอาอันี่ออกไป